ตัสสะพัวโตอรหโตสัมมาสัมบุตสสะนะโมตัสสะพงวโตอรหโตสัมมาสัมบุตตสสะนะโมตัสสะพงวโตอรหโตสัมมาสัมบุตสสะอินนาณีธรมีนิวะเสสนิปิตายะพุทธปริษายะ กาคิธรรมีกถากติยเตอิมัสสะธรรมะปริยายัสะอัธโศสาธายัสมันเตหิสกจังธรมโมโสตโบตีบ <c oughs> นะวันนี้เป็นวันอัธมีดิถีที่8ดค่ำแห่งปัก พุทธบริษัทได้มาประชุมพร้อมกันณธรรมสภาสารานีได้ทำ ม, มุรภากิจมีไหว้พระสวดมนต์เป็นอนเสร็จสิ้นไปโอกาสต่อ น, นี้ไปเป็นโอกาสที่จะสดับรับฟังซึ่งโอวาทธรรมมันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านังจะได้นำพุทธกิจ 45, ส5ส้าพรรษา ในพรรษาที่สิบเอ็ดมาแสดงสืบต่อไป <c oughs> พรรษาที่สิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำมันสาณมมบ้านพรามชื่อเอกนาราแควนมคดพระพุทธองค์ทรงตรวจ ด, ดูโรคด้วยพุทธจักษุทรงเห็นกะสิ ทานทวารสภพามถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระอระหัสต์ทรงทราบวา่าเมื่อพระองค์ทรงไปในที่นั้นหลังจากจบการแสดงพระธรรมแล้วพามพร้อมด้วยบุตรและภรรยาจากตั้งอยู่ในสระนาสามจกวานทรัพ แปดสิบโกรธไว้ในพระศาสนาทายหลังออกบรรพชาอุปสมบทแล้วจากบรรุพระอรหัดจึงประสงค์เสด็จไปยังเอกนาราซึ่งเป็นหมู่บ้านพราม์ใกล้ทักชินาชิลีทางทิศใต้ของกรุงราสคือก่อนจะถึงเอกนารา พระพุทธองค์เสด็จทานปัญจะสารคามหมู่บ้านพามในแคว้นมคตและและพักที่ปัญจะสารคามสมัยนั้นมีงานนักขัตฤกในหมู่บ้านาพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปบินทบาท สเสด็จกลับด้วยบาดเปล่าเพราะมารโดนใจชาวบ้านประสงค์มิให้พระสมณะโคดมได้รับอาหารบินทบาทมารเข้ามาหาถึงที่ประทับกล่าวว่าสมณะท่านได้บินทบาทบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามารผู้มีบา ก็ท่านได้กระทำไม่ให้เราได้บินทบาทมิใช่หรือนานกราทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปบินทบาทอีกครั้งหนึ่งเถิดคราบพระองค์จักกระทำให้พระองค์ได้บินทบาทแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า มารขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญแล้วดูก่อนมารผู้มีบาปพวกเราไม่มีความกังวล น, นันใดยังเป็นสุขสบายอยู่ได้พวกเรามีปิติเป็นพักษาหารดุจอาพัสรเทศนั่น ทั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายไปในที่นั้นเอง <c oughs> สาเหตุที่มารดนใจชาวบ้านเพราะมารเกรงว่าชนเหล่านั้นเมื่อรับฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้ว จากร่วงพ้นจากอำนาจของตนจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับณหมู่บ้านพราหมณ์ที่เอกนาราในทักขินาคิลีชนบทตามพระประสงค์ในสมัยนั้นกสิภานทะวาสพามเทียมไถจำนวนห้าร้อย ในฤดูการหวานพืชในวันแรกอันถือว่าเป็นมงคลมีการเตรียมอุปกรณ์พร้อมูลทั้งโคทั้งคนไถประดับตกแต่งด้วยผ้าใหม่สีขาวและดอกไม้เป็นต้นแบ่งออกเป็นพวกในพวกหนึ่งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกมเมล็ดพืชเล่มหนึ่ง คนไถคนหนึ่งคนหวานคนหนึ่งคนบริวารทั้งหมดมีจํานวนมากมายในเรียนของครามนั้นประดับด้วยธงชายธงประตาบต้นกล้วยและหม้อน้ำและหม้อมีน้ำเต็มโรยข้าวตอกดอกไม้เกลียนกาด แม้ในที่นาก็ได้ยกธงชายและธงปตากกระทาพรีกรรมด้วยของหอมและดอกไม้พรามและพรามณีทั้งหลายประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงพากันไปสู่ที่ทาการงานกระทาพรีกรรมแล้วเริ่มลงมือไถพรามณีเตรียมแจก ข้าวปรายาตเรื่องดูกันเป็นงานใหญ่เวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังที่นาของพรามซึ่งขณะนั้นกำลังแจ ก, กจ่ายพัดเป็นไปอยู่ทรงประทับยืนในที่สูงซึ่งพรามและบริวารชนเหล่านั้นจะมองเห็นได้ในอัธกถา ภาษิสูตรกล่าวว่าขั้นพระพุทธองค์ประทับยืนแล้วทรงเปร่งรัศมีพระวรกายมีสีเหลืองดังทองธรรมมชาติโดยรอบแผ่คลุมไปทั่วโรงเรียนต้นไม้พื้นที่นาและก้อนดินที่ไถแล้ว ได้เป็นเสมือนหนึ่งทำด้วยทองทั้งสิ้นลำดับนั้นพวกบริวารที่กำลังบริโภคอยู่ก็มีกำลังไถนาอยู่ก็มีแลเห็นพระสมมาสมพุทธเจา้าทรงลุ่งเลืองด้วยสิริต่างพากันละทิ้งกิจของตนของตนล้างมือและเทา้าเข้าไปยืนแวดล้อมประคองอันชรลีอยู่ กสิพานทะวาชพามเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาบินธบาตแวดล้อมไปด้วยบริวารชนเหล่านั้นจึงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะข้าพระองค์ย่อมไถและหวานขั้นไถและหวานแล้วย่อมได้ผลนั้นบริโภค แม้พระองค์ก็จงไถและหวานขั้นไถและหวานแล้วจึงบริโภคผล น, นั้นเถิด <c oughs> พรามกล่าวถ้อยคำนี้กับพระพุทธองค์เพราะเห็นบริวารชนทั้งหลายทอดทิ้งการงานไม่อิ่มด้วยการดูพระผู้มีพระพา้เจ้าและเข้าใจว่าพระองค์ไม่ประกอบการงาน เพราะความเกลียดคร้านสเสด็จเที่ยวบินทบาทในวันงานอันเป็นมงคลจึงไม่พอใจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์แม้เราก็ไถและหวานขั้นไถและหวานแล้วจึงบริโภคพราหมณ์กล่าวทูลว่าข้าพระองค์ไม่เห็นแอกไถผาน ตัดหรือโคทั้งหลายของพระโคโดมเลยพระองค์ตรัสว่าเป็นชาวนาแต่ข้าพระองค์ไม่เห็นการไถของพระองค์ฉะไหนข้าพระองค์จะรู้จักการทานาของพระองค์ได้พระผู้มีพระพระเจ้าตรัสตอบว่าเรามีศรัทธาเป็นพืชมีความเพียรเป็นฝน ปัญญาของเราเป็นแอกและไถมีฮิริเป็นงอนไถใจของเราเป็นเชือกสติเป็นผานและประตักเราคุ้มครองกายแล้วเป็นผู้สำรวมในการบริโภคเราทำการดายาคือว่าจาสับปรับ เราทำการดา้ย่าด้วยคำสัตย์ความประนีตของเราเป็นเครื่องทำให้การงานแล้วเสร็จความเพียรของเราเป็นเครื่องนำไปสู่ความสมหวังเราทำนาอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย่ำคาถาสุดท้ายดังนั้นแล้ว ตร์ต่อไปว่าจงทราบเธอท่านพราหม์พืชคือสธาน้ำฝนคือตบะช่วยเหลือแม้การไถเราใช้เชือกคือใจผูกแอกและไถคือปัญญารวมทั้งงอนไถคือฮิริไว้ด้วยกันใช้ไถคือปัญญาตอกผานคือสติยึดประตัก คือสติคุ้มครองกายวายจาและการบริโภคใช้สัจจะเป็นเครื่องดายา้ย่าทำความเพียรมุ่งตรงตรอ่ อ, ตงตอพระนิพพานไม่ถอยกลับการไถนาของเรานั้นย่อมมีผลเป็นอมตะคือมีพระนิพพานเป็นอานิสงบุคคลใดจะเป็นกระสัดพรามแพทย์หรือสูตรก็ตาม จะเป็นคฤรืหัดหรือบรรพชิตก็ตามขั้นกระทำอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือย่อมได้พ้นจากวัตทุกข์ทุกขทุกสังสารทุกข์วิปรินามทุกข์กสิพานท้าวาชพามขั้นฟังเทสนานมีเนื้อความลึกซึ้งนี่แล้วทราบว่า เราบริโภคผลแห่งการทำนาของเราแล้วย่อมยังมีความหิวในวันข้างหน้าอีกแต่การทำนาของพระสมณะนั้นมีผลคือพ้อนจากทุกข์ทั้งปวง <c oughs> พรา ม, มังเกิดความเรี่ยมใสตักข้าวปรายาตบรรจุลงในถาดทองคลุมด้วยผ้าแล้วน้อมถวายพระพุทธองค์ โดยเคารพกราบทูลว่าขอท่านพระโคดมสเสวยข้าปะญ า, าตินี่เถิดเจ้าข้าพระองค์เป็นชาวนาที่ทานาอันมีผลเป็นอมตะมีพระนิพพานเป็นอานิสงทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระองค์ทรงเป็นชาวนาที่ประเสริฐสุดพระาศาสดาทรงปฏิเสธตรัสว่า เราไม่รับทานที่เสมือนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการแสดงธรรม <c oughs> ข้อนี้ไม่ใช่จารีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเชิญท่านบำรุงพระชินาศผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวงด้วยโภชนะอย่างอื่นเถิดพรามทูลถามว่าถ้าเช่นนั้น พระพะองค์จะถวายให้แก่ผู้ใดพระศาสดาตรัสว่าท่านจงเทข้าวปรายาตนั้นลงในน้ำซึ่งไม่มีตัวสัตว์เถิดเพราะนอกจากตถาคตและบรรดาภะษาวกแล้วไม่มีผู้ใดในโลกที่บริโภคข้าวปรายาตซึ่งท่านถวายแล้วแก่ตถาคต จะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้อัทธกถากล่าวว่าเพราะเทวดาทั้งหลายใส่โอชะในข้าวปรายาตที่ถืออุทิศพระผู้มีพระพเาจา้าดุจในข้าวปรายาตของนางสุชาดาในสุกรมัทวัดของนายจุนทะกันมารบุตร ในข้าวแดงของพ่อข้ามาข้าวในเมืองเวรัญชาและในหม้องบน้าอ้อยที่เหลือของพรามของพรามเวรัตถกัจจานะข้าประยาตนั้นย่อมไม่ย่อยสํำหรับเทวดาทั้งหลายเพราะใสโอชะ อันละเอียดในของที่หยาบเทวดาทั้งหลายมีร่างกายสุ ข, ขุมอาหารของมนุษย์ที่หยาบย่อมไม่ย่อยแก่เทวดาเหล่านั้นย่อมไม่ย่อยแก่ย่อมไม่ย่อยแม่แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะมนุษย์ทั้งหลายมีร่างกายหยาบแต่สำหรับ พ, พระพระตถาคตย่อมย่อยตาม ไฟธาตุปกติกสิพานทวาชาพามจึงเทข้าประยาต น, นลงในน้ำทันใดนั้นบังเกิดเป็นควันกลุ่มขึ้นโดยรอบเสมือนโยนก้อนเหล็กซึ่งเผาไฟจนร้อนแดงลงไปในน้ำฉะนั้นอธถกถามที่บายว่า ควรกลุ่มมีประมาณยิ่งอย่างนั้นเพราะอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่เพราะอนุภาพแห่งน้ำเข้าปรายาตพรามเทวดาหรือยักษ์แต่ประการใดความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานอย่างนั้นเพื่อให้พรามเกิดธรรมสังเวช กสิพานทวาชพามอัศจร์ในพระพุทธานุภาพมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระพาอเจ้ากราบทูลพระผู้มีพระพาอเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์ทรงยังข้าพระองค์ผู้หันหลังให้พระสธรรมผู้ตกอยู่ในอาศธรรม ให้ออกจากอสธรรมเรียบเหมือนหายของที่คว่าทรงเปิดพระศาสนาอันปกปิดแล้วด้วยรกชัดคือมิจฉาทิฐิทรงบอกทางสวรรค์และทางพระนิพพานแก่ข้าพระองค์ผู้ปฏิบัติทางชั่วทางผิดเปรียบเสมือนบอกทางให้แก่ผู้หลงทาง ทรงประกาศธรรมะเนกปริยายโดยตามปฏิบคือเทศนาอันกําจัดความมืดที่ปกปิดธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์ผู้จมอยู่ในความมืดคือโมหะไม่เห็นอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนตามปฏิไว้ในที่มืดฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญ กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสรณะยํำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคโดมผู้เจริญเถิดกสิพานทวาชพามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลีกออกจากโมอยู่ผู้เดียวด้วยความไม่ประมาท มีความเพียรมีใจมั่นคงเด็ดเดียวไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา <c oughs> หลังจากออกพรรษาแล้วเสด็จไปโปรดเวนยัยสัตว์ยังเมืองต่างๆแต่ไม่ได้ระบุว่าที่ใดใกล้เข้าพรรษาเสด็จไปยังเมืองเวรัญชา <c oughs> พรรษาที่สิบสองประทับจำมันสานะควงไม้เสดาเมียงเวรัญชาข้างนั้นเวรัญชพามเข้าไปเฝ้าและทูลถามพระศาสดาอย่างที่ประทับณนะควงไม้เสดา ว, ว่าข้าพระเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมไม่ไหวไม่ลุกลับพวกพราหมณ์ ผู้แก่ผู้ใหญ่ผู้ร่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับไม่เชื่อเชิญด้วยอาสนะจริงหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงข้อนี้ไม่สมควรเลยพ <c oughs> ระพุทธองค์ตรัสว่าในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพมมโลกในหมูสัตว พร้อมทั้งสมณะรามเทวดาและมนุษย์เราไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราจะควรไหว้ควรลุกลับหรือควรเชื่อเชิญด้วยอาสนะเพราะหากตถาคตกระทำเช่นนั้นศีรษะของผู้นั้นจะพึงแตกออกเป็นเสี่ยงๆพรามได้ยินเขาว่า พระสมณะโคดมไม่ใยดีต่อสิ่งทั้งหลายพระพุทธองค์ข้อนี้เขากล่าวชอบเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโอทพะเหล่านั้นตถาคตละได้หมดสิ้นแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปครามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ไม่มีสมบัติพระพุทธองค์ตรัสว่าข้อนี้เขากล่าวชอบ เพราะสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสและโภทพะเหล่านั้นตถาคตละได้สิ้นแล้วตัดล่าขาดแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปครามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคดมกล่าวถึงการไม่ทำพระพุทธองค์ข้อนี้จริงตถาคตกล่าวการไม่ทำกายทุจริต วจีทุจริตและมะโนทุจริตกล่าวการไม่ทําซึ่งทำที่เป็นบาปอกุศลทั้งปวงพราหมณ์ได้ยินเขาว่าพระสมณะโคโดมกล่าวถึงความขาดศูนย์พระพุทธองค์ข้อนี้จริงเพราะตถาคตกล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคาโทสโมห oh ะและทำที่เป็นบาปอกุศลทั้งปวง พรามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้มีความลังเกียดพระพุทธองค์ข้อนี้จริงเพราะตะถาคตลังเกียดกายทุจริตไวจีทุจริตมโนทุจริตรังเกียดความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งปวงพรามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้กําจัดพระพุทธองค์ ข้อนี้จริงเพราะตะถาคตแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะแสดงธรรมเพื่อกำจัดธรรมที่เป็นบาปอากุศลทั้งปวงพรามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคโดมเป็นผู้เผาผลาญพระพุทธองค์ข้อนี้จริงเพราะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตถาคตกล่าวว่าเป็นธรรมที่ควร เขาผานพรามได้ยินเขาว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ไม่เกิดอีกพระพุทธองค์ตรัสว่าข้อนี้จริงเพราะการนอนในคันการเกิดในภพใหม่อันตรถาคตละได้แล้วตัดล่าขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปทรงอุปมาด้วย ฟองไข่ที่แม่ไก่กกดีแล้วฟักดีแล้วรูปไก่ตัวใดทำลายกระปาะฟองไข่ออกมาได้ก่อนชั้นใดเราก็ชั้นนั้นเราได้ทำลายกระปาอฟองคืออวิชชาได้ตัสรู้พระสมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมตถาคตได้บรรลุปถมชาญทุติยชาญ ตติยชาญจตุธาชาญมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสน้อมน้อมจิตไปเพื่อภูเพนิวาสานุส ต, ติยานจตูปาปาตยานอาสวะค ย, ยานจิตของตถาคตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงจิตที่ควรทำตถาคตได้ทำเสร็จแล้วเหมือนลูกไก่ที่ทำลายกระป๋ ฟองไข่ออกมาแล้วฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมเทศนาถึงความที่เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดด้วยการบรรลุวิชาสามดังกล่าวแล้วเวรัญชพามเกิดความปิติกราบทูลว่าท่านพระโคโดมเป็นผู้เจริญที่สุดท่านพระโคโดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก พระโคดมทรงเกิดก่อนด้วยอริยชาติคือการเกิดอันประเสริฐเพราะไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งปวงเวรัญชพามได้เกิดความสงสัยในขณะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบรรลุความเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเช่นนี้ด้วยปฏิปทาอะไรหนอ พระผู้มีพระพภาธเจ้าทรงทราบความคิดของาพามจึงตรัสว่าเราได้ปรารบความเพียนไม่ย่อย่อนมีสติตั้งมั่นในคุ ณ, ณธรรมจึงบรรลุถึงความเป็นผู้ประเสริฐสุดอย่างยอดเยี่ยมนี้ณนะโพธิมันเวรัญชาพามได้กล่าวคุณคานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพาะสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสระตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับอาราธนาอยู่จำมันสาที่เมืองเวรัญชา ของข้าพเจ้าเถิดพระผู้มีพระร้าทรงรับอาราธนาด้วยดุษณีขั้นพระศาสดาทรงรับธรรมรัธนาแล้วเวรัญชภามถวายบังคมลาทำประทักษิณไหวยอยู่ด้วยกายวาจาและใจหลายครั้งหลายหนก็ยังไม่อิ่มใจได้กับพุมมือยกสูขึ้นไหวเหนือศีรษะ เดินถอยหลังหันหน้าไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าจนพ้นทัศนวิสัยจึงได้ถวายบังคมและลีกไประยะนั้นเมืองเวรัญชาเกิดทุกขพิขภัยประชาชนต้องอดอยากเพราะไม่มีอาหารบริโภคจนถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมากทิกสุที่จำมาสายอยู่ ออกไปวินทบาทก็ไม่ได้อาหารกลับมาเลยข้างนั้นมีพ่อค้ามาชาอุตรกปาทักนำมาห้าร้อยตัวมาะจะไปขายยังต่างเมืองเดินทางผ่านมาถึงเวรัญชาไม่อาจเดินทางต่อไปเพราะเป็นช่วงฤดูฝนจึงได้ให้ช่างสร้างเรียนทักสำหรับพวกตนและลงมา้า ไว้ณนะสถานที่น้ำท่วมไม่ถึงนอกเมืองเลรัญชาในเวลาเช้าพวกพระค้ า, าพวกครอบค้าม้าเหล่านั้นเข้าไปในเมืองด้วยกรณีกิจบางอยา่างได้พบพระภิกษุเจ็ดแปดรูปสมบูรณ์ด้วยอิรยิยาบถเที่ยวบินทบาทแม่ทั่วเมืองก็ไม่ได้พัดใดๆเล ย, ย, ย, ยทั้งสองสามวัน พวกข้าค้าเหล่านั้นจึงคิดว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยเมืองนี้อยู่จำมรรษาขณะที่ชาตกะไทยก็กำลังเป็นไปพวกเราเป็นอาขันตุกะย่อมไม่อาตะเรียมอาหารถวายพระสุทั้งหลายทุกวันได้เราจัดแบ่งข้าวแดงจ่าอาหารของมาถวายเจ้าพระสุรูปละลัง ถ้าผู้นีพระพระเจ้าถ้าผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักไม่ลำบากทั้งมาก็จักยังพอยังชีวิตไปได้คิดดังนี้แล้วึงเข้าวปอเรียนกยแ ก, แนแกน่ภิกษุทั้งหลายแล้วตกแต่งข้าวแดงเรียมไว้ทุกวันภิกษุทั้งหลายใส่ข้าวแดงที่เป็นอาหารของมา้าซึ่งพวกขว้าค้ามาแบ่งให้มาอริโตด้วยการโขลกแล้วนาไปแช่ ามให้ชุ่มแบงกันฉันตลอดพรรษาลำเพลินสมณธรรมอยู่ <c oughs> ในส่วนของพระพุทธองค์เอาอข้อค้ามาถวายข้าแดงแร่งหนึ่งและในใสน้ำพริกน้ำตาลกลว